ประเภทที่สามอนุมาณปัญหาประเภทที่สีลักษณะปัญหาประเภทที่ห้าอุปมากถาปัญหาแต่มาในตอนที่แบ่งปัญหาประเภทใหญ่ออกเป็นวรรคเป็นเรื่องประเภทที่สที่สหายไปชื่ออนุมาณปัญหายัางปรากฏอยู่แต่เอาบวกเข้าเป็นเรื่องที่8ในวรรคที่9กของเมนดากะปัญหาสังเกตดูรูปความ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 ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารอาตมาจะได้ทัศนาการเห็นหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพุทธโธอันว่าสมเด็จพระพุทธสัพพันอยู่ผู้เป็นเจ้าไม่เห็นก็อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าเห็นมาหรือไม่เล่า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 สมเด็จพระเจ้าเมลินภูมิินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงของโยมโยมไม่เห็นพระนาคเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรปุโรหิตผู้เท่าเสนาบดีผู้เท่าได้เห็นหรือหรือว่าหาไม่ได้ประการใด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 ยังมีเป็นที่อ้างอีกหลายสิ่งหลายอันเสรยถีธังคือสิ่งอะไรบ้างเสตฉัตตังคือสเสวตฉัตหนึ่งอุณหิตสังคือพระมงกุฎหนึ่งวาลวิชนีคือพัดวาลวิชนีหนึ่งมหารหานิไสยนานิคือพระแท่นที่บรรทมมีราคาม่าครามครันหนึ่งขักคันจ่คือพระขันแก้วหนึ่ง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 ที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าประดิษฐานไว้ยังมีอยู่สาวกทั้งปวงผู้รู้ผู้เห็นได้รับประทานต่อต่อมาเสยยถีทางคือสิ่งไรบ้างจะตาโรสติปทานาคือพระสติปทานทั้งสี่จตาโรสัมมปทานาคือพระสัมมปทานสี่จะตาโรอิทธิบาทาคือพระอิทธิบาทสี่ ปัญจินทริยานี้คืออินรียห้าปัญจะพลานี้คือพละห้าสต้โภช o ังคาคือพระพภช t งเจ็ดอัฐังคิโกมัคโคคือพระอัฐังคีกมักแปดประการอันอุดมอัตมาก็ประนมมืออภิวาสไหว้ด้วยน้ำใจเชื่อแท้ด้วยเห็นธรรมประจักษ์แก่ตาก็อนุมาณด้วยปัญญาว่า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 เรื่องวิสัชนาโดยชักอุปมาอุปไมยเรื่องโลกียนครกับธรรมนครพิสดารมากมายโดยอนุมานปัญญาพระนาคเกษตถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบวพิทธพระราชสมภารเปรียบปานดังนักรวัธกีนายช่างพระนครผู้หนึ่งปรารถนาจะสร้างพระนคร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 อปเรณะสมเยณะโดยสมัยอื่นตังนักขังอันว่าพระนครนั้นสุภิกขังข้าวถูกลูกไม้มีผลสารพัดอาหารเลี้ยงชนมีทุกสิ่งสุเขมังเป็นเมืองยิ่งเกษมสารสุสะมิทังสิวังมั่งคั่งเย็นสมราญแสนสบายอณีติกังนิรุปัตทวังมิได้ปราศจากระเบียบกฎหมาย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 อนันตะพะโลมีพระกำลังจะนับไม่ได้ทรงไว้ซึ่งพระพุทธพลบารมีกิริยาอันถึงที่สุดจะนับไม่ได้อนันตะวิริโยมีเพียรจะนับไม่ได้อนันตะพละมารังนีหริตวาพระองค์มากำจัดเสียซึ่งมารอันจะนับไม่ได้ยังมารกับเสนาให้อัปปราชัย พระองค์มาทำลายเสียซึ่งคายคือทิฏฐิให้กระจัดกระจายทำลายเสียซึ่งอวิชชาและกามตัญหาอันค่องอยู่ยังวิชชาให้บังเกิดแล้วส่งไว้ซึ่งพระธรรมจักอันประเสรศิฐสำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานวิชิตะสังคาโมมีสงครามกับมารอันชนะแล้วธ ร, รมมะนครังมาเปสิพระองค์ก็มาตกแต่งธรรมนคร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 เป็นคู่สติโทวาริกังมีสติเป็นนายประตูญานทวารากฎทะกังมีพระยานเป็นซุ้มประตูวิริยะอัตราระังมีเพียรเป็นหอรกศรัทธาอีสกังมีศรัทธาเป็นยอดปราสาทปัญญาปาสาทางังมีปัญญาเป็นตัวปราสาทสุตตันตะปัจจรัง มีพระสุดตันตะปิดกเป็นถนนหลวงอภิธรรมะสิงคาตะกังมีพระอภิธรรมเป็นตะแลงแกงถนนสามแจงวินยะวินิชยังมีพระวินัยเป็นมรงราชวินิฉัยสติปฐานวีทิกังมีพระสติปฐานเป็นถนนใหญ่อันสำราญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารลำดับถนน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 เรื่องจะทำเปรียบด้วยร้านตลาดต่า ง, างๆในธรรมนครพระน่าเกษมวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าร้านตลาดตอกไม้นั้นได้แก่อสุภะสัญญาอันสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดาจารผู้รู้ผู้เห็นเป็นองค์พระอระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ขาย สัญญาทั้งหลายคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามารณสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหาณสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสภะโลเกอนาพิรตสัญญาสพะสังขารสูอนิจจสัญญาอธิกสัญญาปุรุวกสัญญาวินีละสัญญา วิจิตทกกะสัญญาวิปุพภกะสัญญาอุทุมาตกะสัญญาวิขายิตกะสัญญาหัตตวิชิตทกะสัญญาโลหิตกกะสัญญาและพระเมตตาสัญญากรุณาสัญญามุทิตาสัญญาอุเบกขาสัญญาอานาปานสติมารณานุสติกายคตาสติมหาราชา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 จะกาจัดเสียซึ่งกิเลสจะประเวทเข้าสู่พระนคร น, นิพพานนครุตตมังเป็นพระนคร อ, อันอุดมบรมล้าเลิศประเสริฐกว่านาครทั้งปวงเมื่อ น, นิพพานนั้นล่วงเสียแล้วซึ่งภัยประกอบไปด้วยสุขปรีดาโดยสภาวะแท้อชาตังอชรังอมระนังไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้ตายประเสริฐเป็นนิ จ, จสิน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 ด้วยวิมุตติธรรมอันประเสริฐ ด, ดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาการโลสิผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรนักหนาดังนี้แล้วตรัถามต่อไปว่าคันทาปนัง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 ศีลทั้งปวงนี้มหาราชขอถวายพระพรนี้แหละเป็นร้านตลาดของหอมของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสะพระพุทธดีกาอันสมเด็จพระมหากรุณาผู้เป็นเทวดาอันประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าจันทนังตครังอันว่าจันท์และกฤษณาอันหอมนักหนา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 พระนาคเสนจิงแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารอันว่าผลไม้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถศาสดาจารย์ตั้งร้านวางไว้เศยยถีทางคือสิ่งใดโสซตาปฏิพลังคือพระโสดาปฏิผลสกิทาคามิพลังคือพระสกิทาคามิผลอนาคามิพลัง คือพระอนาคามิผลอรหัตตะพลังคือพระอรหัตผลสุญญตะพลังคือสุญญาผลสมาปติพลังคือสมาปติผลอณิมิตะภะสมาปติคืออณิมิตะภะสมาบัติอปนิหิตะภะสมาปติคืออปนิหิตะภะสมาบัติอเนนชะภะสมาปติคืออเนนชะภะสมาบัติ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 คาถาอุทานะอิติอุตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทละถ้าผู้ใดให้มูลค่ากล่าวคืออุสาหะสดับฟังพระสัทธรรมเทศนาเล่าเรียนจำเริญภาวนาไปในนาวังคสัตุศาสนานั้นไม่ช้าก็จะดับพิษกิเลสประเวทเข้าสู่นิพพานจะพ้นจากทุกข์กันดานคือชาติ ชลาพยาธิและมรณะทุกข์และโสกะปริเทวะสอื่นอาไยและความทุกโทมนั์และความคับแค้นอันเป็นพิษใหญ่สมด้วยพระพุทธดีกาที่ตรัสพระสธรรมเทศนาไว้ว่าพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะดับพิษกิเลสร้ายจะประเสริฐเสมอพระธรรมนั้นไม่มี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 ได้แก่ทาสิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนากเกษ จ, จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ท่งรักษาโรคคือราคาที่กิเลสแห่งมนุษย์นิกรอมารเรศทั้งหลายให้เบาบางห่างหายด้วยธรรมทั้งหลายสิ่งใดอันว่าธรรมนั้นไซใช่อื่นใช่ไกล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 เธอทั้งหลายจงดื่มกินซึ่งยาคือธรรมนั้นดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโอสถาปนังอันวารานตลาดยาสุปะสาริตังสมเด็จพระมหากรุณาตั้งไว้เปิดไว้เป็นอันดีแล้วแต่ว่ายาคือธรรมนี้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 มีแต่ว่าจะไปเกิดในสุขติอันดีสมด้วยกระแสรพระพุทธดีกาที่ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าภิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายมูสัตทั้งหลายเหล่าใดได้ดื่มกินกายยคตาสติมูสัตเหล่านั้นได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งน้ำอมฤตไม่รู้ตายและล่วงเสด้ซึ่งทุกคติวินิบาตและนรกดีรฉานทั้งปวงดังนี้ขอถวายพระพร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 อันว่าร้านตลาดแก้วนั้นได้แก่ศีลรัตนะสมาธิรัตนะปัญญารัตนะวิมุติรัตนะวิมุติยานัทสนะรัตนะปฏิสัมพิทารัตนะมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าศีลรัตนะนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่า ได้แก่พระปาติโมขสังวรสีนอินทริยะสังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีนปัจจยะสันนิสิตาสีนจุลสีนมัชิมะสีนมหาสีนมัคคสีน์พละสีนมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเทวะมนุษสาเทวดามนุษย์ทั้งหลาย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 อนุสมาธิรัตนะนั้นได้แก่สวิตกะสวิจารสมาธิอวิตกะอวิจารสมาธิสุญญาตสมาธิอนิมิตะสมาธิอปนิหิตสมาธิโยคาวจรภิกษุรูปใดทรงไว้ซึ่งสมาธิรัตนะดังนี้แล้วก็จะห้ามเสียและแพ่เสียซึ่งกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก และมานะอุทจจะทิฏฐิวิจิกิจาวิตกและวิตกด้วยกิเลสทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆมีให้เป็นมลทินอยู่เพราะสมาธิเป็นธรรมบริสุทธิ์และทําจิตให้แน่วแน่เปรียบดุลใบบัวหลวงอันมิได้มีหยาดน้าซึมซาบได้เหตุว่าใบบัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษเป็นธรรมดามหาราช ขอถวายพระพรบวชพิษพระราชสมภารสมาธิรัตนเห็นบานนี้แหละเป็นมรานตลาดรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ตรัสไว้ว่าสมาธิรัตนนี้มิให้วิตกอันร้ายกาศเกิดได้และมิให้สัดทอดไปซึ่งจิตเอตังตุมเห พัทนทั้งหลายจงประดับซึ่งแก้วอันกล่าวแล้วคือสมาธิรัตนนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพภิษพระราชสมภารอันว่าปัญญารัตนได้แก่ทาสิ่งไรปัญญารัตนนั้นได้แกรร่รญญรแกพระอริยสาวกผู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ประนีต สิ่งนี้ดำสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ทั้งดำทั้งขาวยะถาภูตังประชานาติย่อมรู้โดยแท้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกขสมุทัยสิ่งนี้เป็นทุกขนิโรธสิ่งนี้เป็นทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปัญญารัตนะเห็นปา น, นี้แหละ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 ขอถวายพระพรบวชพิษพระราชสมภาร